ไม่ชอบหาเรื่องแต่ทำไมเจอคนหาเรื่องถามปกติผมจะไม่มีศัตรูเป็นคนแบบเรื่อยๆสบายๆไม่ค่อยเอาอะไรกับใครไม่ชอบถกเถียงที่สำคัญแน่ใจว่าไม่ใช่พวกชอบหาเรื่องแต่ต้องเผชิญหน้ากับคนเร็วๆคนหนึ่งไม่ทราบว่าทำเวรทำกรรมอะไรกันมา ชอบแขวะหาเรื่องพูดรวนและถากถางต่างๆทั้งเปรยในอากาศแบบแกล้งกระทบทั้งด่าว่าผม ต, งตรงๆซึ่งจริงๆแค่เคยพูดผิดหูกันหน่อยเดียวเหมือนอย่างคนพูดขัดคอกันธรรมดาแต่เขาจะตามจิกผมด้วยคำพูดแรงๆท่าทางโกรธแค้นนน่นอกเกินจริงสังเกตดูเขาก็ไม่ได้ทำกับคนอื่นขนาดนี้ นี่แปลว่าต้องเป็นการผูกเวรกันมาตแต่ปางก่อนชัดเจนเลยใช่ไหมเคยข่มใจพยายามคิดให้อภัยทำเงียบไม่โต้ตอบก็ยิ่งเอาใหญ่เหมือนเห็นเราหงอแล้วได้ใจผมไม่ทราบจะทำอย่างไรดีไม่อยากเป็นคนอ่อนแอแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากสร้างศัตรูถาวรเบางที่อยู่ในสภาพกดดันเหมือนจะระเบิดเข้าใจเลยว่า คนเราอยากทำร้ายกันถึงเลือดถึงเนื้อเพราะอารมณ์ชั่ววูบแบบไหนขอคำแนะนำที่เอาไปทำได้จริงด้วยครับตอนอยู่ในอารมณ์นั้นคิดถึงธรรมะข้อไหนไม่ออกเอาเลยยอมรับว่ามีแต่ความเกลียดความจิงชังเป็นที่สุดตอบก่อนอื่นต้องถามว่าคุณอยากแก้เวรแก้กรรมกับเขาด้วยใจจริงๆไหม ถ้าตอบว่าใช่คุณต้องออกแรงสักนิดนะครับฟังแล้วเขาไม่ถึงกับเป็นคนพาลสันดานร้า ย, ายเกินเยียวยาอะไรหรอกประการแรกตัดคำว่าคนเลวๆทิ้งจากหัวไปซะเขาไม่เลวคุณก็ไม่เลวในที่นี้มีแต่คู่กรณีซึ่งจำต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงในอดีตชาติไม่ได้เหตุการณ์ปัจจุบัน อนุญาตให้จำได้แค่การขัดคอเพียงเล็กๆน้อยๆดูไม่สมเหตุสมผลเอาเลยกับการต้องจองล้างจองผลาญกันอย่างไร้ที่สิ้นสุดท่องไว้ให้ขึ้นใจว่าคุณนี่แหละจะทําให้เป็นชาติสุดท้ายของการจองเวรโดยทําลายความเกลียดทิ้งไปจากใจมาเริ่มนับหนึ่งทำลายความเกลียดกันโดยเลิกแปะป้ายคนเลวไว้ที่หน้าผากเขานี่แหละเปลี่ยนป้ายให้เขาใหม่ เป็นแบบฝึกหัดแทนมุมมองและความรู้สึกด้านดีเท่านั้นที่จะเป็นกันไกตัดสายใยัยเวณระหว่างกันได้จริงประการที่สองเวลาถูกรุกรานอย่าสวนกลับด้วยอาการเลือดขึ้นหน้าแล้วก็อย่างเงียบแบบจ่อยเหมือนยอมให้ข่มเหงเล่นเพราะทั้งสองลักษณะาการล้วนแล้วแต่ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น ให้ทำไว้ในใจว่าเขามาแบบไฟเราจะไปแบบน้าําหาแง่ดีที่คุณเห็นในตัวเขาจริงๆให้ได้สักข้อหรือสองสามข้อยิ่งดีพอเขาพูดอะไรเลวร้ายอย่างไร้เหตุผลใส่คุณคุณก็ตอบกลับไปด้วยเรื่องดีที่มีอยู่จริงๆของเขายกตัวอย่างเช่นเขาด่ามาแบบไม่มีมูลความจริงว่าคุณนี่โง่ามาก คุณก็ตอบไปเย็นๆว่าคุณรู้สึกว่าเขาใจดีนะวันก่อนเห็นให้คําแนะนําแก่รุ่นน้องดูบริสุทธิ์ใจดีและเป็นคําแนะนําที่ฉลาดมากด้วยพูดให้เขานึกถึงเรื่องดีๆของเขาเองอย่างเนี้ยรับรองว่าโทสะหรือความเข็นเขี้ยวกระเฮียนกระหือหรืออยากเล่นงานคุณจะลดหว บ, หาบ้าหรือหายต๋อมไปเลย เพราะธรรมชาติของภัยเวรจะสืบสายได้ก็ด้วยการเอาโทสะมาต่อโทสะเท่านั้นเหมือนไฟต่อไฟแต่จะถูกตัดตอนทันทีที่เจอกับบ่อน้าคำร้ายที่ถูกหักลบหักล้างด้วยคำดีก็เหมือนไฟโหมมาแล้วเอาน้ำสะอาดไปด้วยกำลังที่คานกันได้ธรรมชาติคนเรานั้นเมื่อร้ายอย่างไร้เหตุผล แล้วเจอสวนกลับด้วยความดีงามเป็นใครก็ต้องชะ ง, งักหน้ามานหรือคิดเลวร้ายต่อไม่ถูกแม้ใจอาจยังคิดคุนนึกว่าคุณแกล้งดีทําเป็นพ่อพระจึงยังเก็บความหมั่นไส้ไว้แล้วคราวหลังก็เอาอีกหลองทองด้วยไฟร้อนอีกเพียงคุณใช้วิธีโต้ตอบแบบเดิมเขาจะยิ่งขยัคุณมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ใจคุณ จะเข้าสู่ภาวะเย็นสนิทเป็นจริงเป็นจังยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีคุณจะรู้ซึ้งเลยว่าเย็นออกมาจากใจทั้งที่ไฟกําลังล้อมตัวนั้นเป็นสุขได้ขนาดไหนและดับไฟแห่งภัยเวรได้เด็ดขาดภายในเวลาไม่นานเกินรอยิ่งใจคุณจริงเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งดับลงเร็วขึ้นเท่านั้นครับ